รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งนะบอกว่าอัญญตระอุปปลาปนายะเรียกว่าเจรจากันหมายคำว่าส่งเครื่องบรรณาการไปเลยหมายคำว่าโอ้เมืองนั้นเข้ายิ่งใหญ่ขอผูกเป็นพันธมิตรส่งช้างไปให้ส่งม้าไปให้เอารถไปให้แบ่งเงินแบ่งทองให้กันใช้อย่างงี้ย น, นะไปช่วยเหลือสามัคสมาสามัคคีปรองดองกันเรียกว่าเจรจาเรียกว่าทําทูตสัมพันธไมตรีเป็นมิตรกันเลยวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองอัญญตระ มิทุเพทาะทําให้มันแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายอธิบายว่าทําการแตกแยกซึ่งกันและกันกับเจ้าเหล่านั้นถามพอคิดในได้อย่างนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าพอาพระพุทธเจ้าตรัสจบเนี่ยพราม์ก็คิดออกได้สองวิธีพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าพอพระพ อ, องค์ตรัสสนทนากับพระนรนท์เสร็จแล้วพรามเขาจะคิดได้อย่างนี้บอกพระ อ, องค์รู้เอารู้แล้วทําไมจึงตรัสจริงๆอ่ะที่ตรัสอย่างนี้ก็ตรัส ด, ด้วยกรุณา กรุณาใครได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าดำรว่าเมื่อเราไม่กล่าวถ้าพระองค์ไม่ตัดนะถ้ามาถึงปั๊บพระองค์นิ่งพระเจ้าชาติศัตรูยกทัพไปแน่นอนเพราะว่าแผนก็มีอยู่แล้วว่าถ้าพระพุทธเจ้านิ่งยกทัพถ้าพระพุทธเจ้าตรัดอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่ยกไปนั้นพระองค์ก็เลยแสดงธรรมให้ฟังนะก็แสดงโดยหลักการโดยธรรมนะพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าเธอจงยกทัพไม่ยกทัาพระองค์ก็ตรัสแต่เป็นอัดเป็นธรรมเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวว่าเขายกหรือไม่ยก แต่การตรัดของพระองค์อย่างน้อยที่สุดแผนของพทามก็จะเกิดขึ้นแผนอุบัติเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นแผนยุยย่อที่เรียกว่ายุยแยกนะนะทให้แตกร้าวก็จะเข้าเข้ามาเพราะฉะนั้นกว่าจะทําลายความสามัคคีกันได้ก็ต้องอีกสองสามปีข้างหน้านู่นอ่ะมันจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้ยังไงก็ตายแต่ว่าอีกสองสามปีข้างหน้าพวัะนี้สองสามปีข้างหน้าก็ยังอะไรโอ้ยชีวิตตั้งอีกตั้งสองสามปีชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้ว เพราะอะไรเพราะจะได้ทําบุญบุญจะได้เป็นที่พึ่งของตนเนี่ยนะเพราะอย่างน้อยที่สุดหลังจากที่พระองค์ตรัสพรรษานั้นพระองค์ก็ไปจําพรรษาที่เมืองไผ่าลีก็จะมีการฟังธรรมตลอดพรรษาพระรีเจ้าทั้งหลายก็ไปจําพรรษานะแทบจะเรียกว่ารอบเมืองไผ่าลีไปหมดเลยพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปจําเพราะฉะนั้นใช้เวลาปีเศษ เ, เนี่ยนะปีเศษ เ, เขาจะมีการฟังธรรมฟังธรรมให้ทานสมาทานศินอีกมากมาย อย่างน้อยที่สุดตายก็ไม่ตายแบบคนไม่มีบุญเนี่ยนะไม่ใช่บาปรุนรุ่นเนี่ยนะก็ยังมีบุญได้ทําบุญอีกตั้งเป็นปีๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ด้วยกรุณาของพระพุทธเจ้าทีนี้ฝ่ายพระเจ้าชาติศัตรูนะเมื่อรับรายงานจากวัสการพรามผู้เป็นอาจารยเานะ์เป็นอาจารย์เขานะครับถือเป็นอาจารย์มากปรึกษาราชกิจราชการเขาจะปรึกษาเวลาอะไรเนะี่ยวสการพราม พราหมณ์ก็ไปกราบทูลให้พระเจ้าชาติศัตรูว่าพระดํำรัสของท่านพระสัมณโคนมบ่งชี้ว่าใครๆไม่อาจจับเจ้าวัดชีได้นะเขาฟังแล้วก็อธิบายเองเลยนะอ่านะอัตถกถาแบนั้นเตอะเป็นอัตถกถาให้พระเจ้าชาติศัตรูเสร็จเลยบอกว่าแต่อาจจะสามารถทําได้สองวิธีหนึ่งเจรจาปรองดองกันซะข้อสองทำให้แตกความสามัคคี พระเจ้าชาติสัตรูเนี่ยมันไสเมืองไทยสาลีมานานนะใช่ไหมบอกช้างม้าเป็นต้นของเราเนี่ยจักพินาศ ด, ด้วยการเจรจาทาไมเราต้องเสียช้างด้วยทําไมเราต้องเสียม้าด้วยทําไมเราต้องเสียแก้วเวนเงิือนทองอีกไม่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับจับเจ้าวัดชีชั้นต้นทำลายความสามาคัคคีเอเธอเนียคิดเอจะไปยุแยงยังไงให้บ้านเมืองเขาแตกกันทําไงดี วสการพราหมงก็ออกแผนให้เขาฉลาดมากนะเรื่องธรรมนาประเภทนี้ยประเภทอะไรที่ล่วงอาภุศลกรร ม, มบดนะคนนี้จะคิดได้เร็วมากเลยแป๊บเดียวป๊ป๊บแป๊บเขาจะคิดได้เยอะวิธีที่หนึ่งฆ่าวิธีที่สองรีบซั์วิธีที่สามมูสายุแยงตะแคงรั่วดื่มเหล้าอะไรเนะี่ยเขาจะเก่งมากวิธีเนี่ยขอให้ประเภทล่วงอกุศันกรร ม, มบทนะเขาจะอุย้ยไวมากเลยเหมือนฉลาดนะที่ไหนได้นะเสร็จแล้วพราหมณ์ก็เลยบอกว่าพระ ฆ่าแต่มหาราชเจ้าถ้าอย่างนั้นได้โปรดปรารบแคว้นวัชีอันนี้คืออุบายของเขาเลยนะยกเรื่องวัชีขึ้นตรัสในที่ประชุมก็บอกอว่าอวัชีนั้นมันต้องฆ่าจะต้องทําลายจะต้องอะไรพอพระ อ, องค์ตรัสอย่างนี้นะฆ่าพระ อ, องค์จะเป็นฝ่ายขานเองนะฆ่าพระ อ, องค์ก็จะทูลว่าพระมหาราชพระ อ, องค์จะประสงค์อะไรด้วยสมบัติของเจ้าเหล่านั้นเจ้าเหล่านั้นจงทํากสิกรรมพานิสกรรมเป็นต้นเลี้ยงชีพอยู่เถิดเสร็จแล้ว ในที่สุดข้าพระองค์ก็ทําท่าหลบหนีไปต่อจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าทําไมพราหมณ์ผู้นี้จึงคัดค้านแต่เรื่องของเราที่เราทําไมถึงเป็นฝ่ายค้ามอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตอนกลางวันข้าพระองค์ก็จะแกล้งส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเจ้าวัดชีพระองค์ก็สั่งให้จับข้าพระองค์แล้วก็ลงโทษข้าพระองค์แต่อย่าตีนะเหมืะนั้นฮะห้ามอย่าเคี่ยนอย่าตีอย่าจองจําเลยโกนหัวแล้วในประเทศออกนอกเมืองเดี๋ยวที่เหลือข้าพระองค์อ่าจัดการเอง นะก็กวัสการพราหม์ก็ออกแผนให้หมดเลยแสดงว่าองเบ้งอินเดียนะคล้ายๆกล่มเนี้ยพวกนี้บาปเยอะเหมือนฉลาดเนี่ยนะตอนนั้นคนก็ยอมรับแต่เสร็จแล้วชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะอย่างวัสการพราหม์เนี่ก็โอ้ยบาปบานเบอร์เลยองเบ้งเนี่ยก็บาปบานแบ่เลยนะบาปเป็นฆ่าคนเป็นล้านๆเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยนะ เมื่อเป็นดังนั้นข้าพระองค์ก็จะกล่าวว่าข้าพระองค์จะให้สร้างกำแพงคูในพระนครของพระองค์ข้าพระองค์รู้ถึงสถานที่มั่นคงและอ่อนแอสถานที่ตื้นและลึกัตรนี้ข้าพระองค์จะทำพระนครให้ตรงได้ไม่นานก็คือ พระเจ้าอวัสการพรามก็อ้างว่าไม่เมืองนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าข้าพระองค์รู้หนดนะจุดอ่อนจุดด้อยจุดเด่นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าข้าพระองค์ทํำนี้เดี๋ยวเมืองพระองค์แหลกแน่นอนก็ทําเป็นเหมือนกับพระเจ้าชาตสตรูแกล้งโกรธไปซะแล้วก็ในที่สุดแผนอันนี้ก็เป็นไปตามที่วัสการพรามต้องการพระเจ้าชาตสตรูก็อนุมัติก็เลยถูกโกนหัวตะเพิดหนีออกร่อกเมืองทีนี้เจ้าฤฉวีพอฟังการบ้าน วัศการพราหมณ์ถูกในประเทศก็ตราบว่าไอ้พรามณ์คนี้มันขี้โม้เหมือนนโอ้อวดขี้โกงวะโอ้อวดแปลว่าขี้โกงมันมันมีเลขกระเทมากเชื่อไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าให้พราหมณ์นั้นอะข้ามมาสู่ฟากบ้านเมืองเราเด็ดขาดคือจากไผ่าลีไปแควนมาคตรสองแควนเนี่ยมันถูกขั้นด้วยแม่น้ําคงคาันอย่าให้ข้ามแม่น้ํามาฝักฝังบ้านเมืองเรา เจ้าริชวีบางพวกก็บอกว่านั้นเขาทําถูกต้องคือข่าวอันนี้เนี่ยมันรั่ว ม, มาถึงกษัตริชวีหมดแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีกระว่าหน่วยจารกรรมหน่วยจารกรรมฟังข่าวจากภากหนึ่งส่งไปอีกภากหนึ่งภากหนึ่งส่งไปอีกภากหนึ่งอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยจ้างหน่วยจารกรรมเขาทำยังไงเขาจ้างไอ้พวกฤๅษีเนี่ยพวกข้าราชการเนี่ยบอกพวกแกเป็นฤๅษีซะแล้วก็ไปเที่ยวล่าข่าวเนี่ยนะบางทีพวกนักบวชแห ม, ม่มีศีลมีธรรมเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นนักข่าวที่ไหนได้ก็เป็นกลุ่มหน่วยจารกรรมหาข่าวคราวข้อมูลของบ้านเมืองเมื่อไม่นานนี่เขามารู้จักพระรูปหนึ่งนะเขาก็มีที่จริงแล้วเขาก็มาสืบที่ไหนได้ท่านท่านท่านก็เป็นพระอ่นะแต่เป็นพระหาข่าวของบางประเทศนะของหาข่าวคราวของบางประเทศมีการชุมนุมกันไม่มีอะไรกันไหมเป็นต้นนะก็เป็นที่มาของปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เรียกว่าอ เป็นหน่วยจารกรรมแต่ว่าอยู่ในเพศของนักบวชเพราะนั้ น, นนะก็จะอยู่ในฐานะต่างๆนะก็จะอยู่ในฐานะต่างๆก็เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกบางท่านนี่ก็เหมือนกันเขาก็รู้ว่าเนี่ยวัศการพรามเนี่ยไม่แน่นอนนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เนี่ยเข้ามาดีนะดูสิเขาพูดนะเขาพูดช่วยกัรักษาบ้านเมืองให้เรานะนะก็เลยว่าเห็นดีเห็นงามไปกับวัศการพราม อีกคนหนึ่งก็บอกว่ายาไม่ต้องห้ามห้ามเข้าบ้านเมืองเราเด็ดขาดเลยนะฤชวีก็แค่ว่าพอเดินเข้าเมืองปั๊บแตกเป็นสองเสียงเลยใช่ไหมโอ้นักสอเสียดชั้นเลิศเลยนะแค่เดินเข้าเมืองเนี่ยกษัตริย์ฤชวีก็คิดได้สองอย่างเลยใช่เริ่มชักไม่ค่อยลงแค่ว่าเริ่มแตกคอกันบ้างแล้วในที่สุดก็วัชพราหมกก็ได้เข้าไปเจ้าฤชวีก็สั่งว่าเรียกไปสอบสวนว่าท่านไปทําผิดอะไรมา ระสการพรามก็บอกแหมก็ทําผิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยทําไมต้องลงโทษกันขนาดนี้นะเสร็จแล้วเจารร้าลิชวีก็เออใช่เนาะแหมก็เห็นอกเห็นใจเพราะท่านช่วยรักษาผลประโยชน์บ้านเมืองของเราท่านเมื่อก่อนท่านอยู่เมืองโน้นอ่ะท่านอยู่ตําแหน่งอะไรบอกข้าพองเป็นอํามาสฝ่ายวินิจฉัยเจายรร้าลิชวีก็บอกอ่ะยกตําแหน่งนี้ให้เลยถามนั้นก็ทําหน้าที่วินิจฉัยอันดีทําหน้าที่วินิจฉัยไต่สวนเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อมูลเยอะ คือเขาเลือกตรงจุดพอดีเลยเพราะนั้นเขาก็คือเรียกว่าเลือกจุดตรงที่มันมีข่าวเพราะฉะนั้นข่าวจากหนึ่งสู่ที่หนึ่งเขาจะผ่านข่าวทั้งหมดเรื่องของยู่แทบจะอยู่หน่วยข่าวกรองและสอนพวกไปเป็นอาจารย์สอนพวกกุมารนหนุ่มๆด้วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็กินเงินเดือนพิเศษเลยนะวันนั้นเสร็จแล้วก็สอนศิลปะในราชสำนักของเจ้ามิชวีแล้นก็ควบคุมพวกกุมารหนุ่มๆ ห, หมายว่าชายหนุ่มทั้งหลายแหละของกษัตริย์เมืองนี้จะเป็นลูกศิษย์ของ วสการพรามหม์มดพราหมณ์คนนั้นเนี่ยนะเขาก็นับถือว่าผู้ทรงคุณธรรมผู้ทรงความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิว่างั้นแต่มีความรู้ความสามารถยกย่องกันมากแล้วแกก็ เ, เรียก อ, อะไรนะวิธีการของการนี่สนิทมากทีนี้วันหนึ่งเนี่ยนะวิธีแกล้งของวสการพราหมณ์เขาไม่ได้เอาแผนสูงอะไรหรอกวันหนึ่งก็ไปถามเด็กๆว่าเออทาอะไรกรันทํานากันใช่ไหมบอกใช่ครับทํานาเออทํานานี่ต้องใช้โคคู่เทียมใช่ไหม ครับใช้โคคู่แล้วก็ก <Son> <for> ลับไปเสร็จ้วไอ้เจ้าฤชวีอีกคนหนึ่งก็ก็พูดบอกว่าเขาไปถามว่าเอ้เนี่ยอาจารย์มาอาจารย์มาถามอะไรเนี่ยก็ถามว่าทานาใช mm ่ไหมใช้โคคู่ใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่บอกไม่ใช่อาจารย์ไม่พูดอย่างนี้เด็ดขาดคนระดับอาจารย์เรื่องอะไรจะมาพูดแบบนี้แล้วก็ไม่บอกตามความเป็นจริงเพราะฉะนี่สองคนเนี้แตกกันนะเนี่ยแสดงว่าคุยรับลมคมในอะไรสักอย่างที่ลึกซึ้งกับอาจารย์แล้วไม่บอกเรา เพราะฉะนั้นมันอะไรกันแน่เริ่มระแวงแล้วก็บอกว่าวิธีแบบนี้เนี่ยที่ที่จีนเขาก็ใช้เหมือนกันโจโฉก็ใช้วิธีนี้นะกลับกลับในในสง ค, ครามเนี่ยโจโฉก็เขาก็มีอีกฝ่ายหนึงห่งนะเขาก็กําลังศึกเนี่ยศึกสองเมืองประชิด ก, กันโจโฉก็รู้จักคนในนั้นเนี่ยไปถามเรื่องประวัติเพื่อนเก่าเพื่อนเป็นยังไงเราไม่ได้เจอกันนานแล้วสบายดีไหมอย่างนั้นอย่างเี้เสร็จแล้วก็กลับ ไอคนนี้เนี่ยคุยที่คุยกับโจโฉถูกระแวงหมดเลยว่าไอคนนี้มันมีรับนมคมในมันคุยอะไรกันก็ก็คุยเรื่องเพื่อนเก่าบอกไม่เชื่อในที่สุดก็เข็นฆ่ากันเองเนี่ยนะก็แผนสอเสียดแบบเดียวกันนี่แหละวิธีนี้ก็ยังใช้ได้เสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งนะเจ้าลิอวอัสการพรามก็ใช้วิธีคล้ายๆเดิมอีกไปถึงเออท่านกินข้าวหรื อ, อยังกินข้าวกับอะไร แล้วก็ไอ้คนหนึ่งบอกว่าอาจารย์มาบ้านท่านอาจารย์มาคุยเรื่องอะไรหรือเนี่ยอาจารย์มาถามว่าบ้านกินข้าวกับอะไรยังไงไม่ใช่มั้งวสการพรามมาบ้านนี้คือมาตั้งถามมาถามๆว่าทานข้าวกับอะไรนะยังก็คุยกับเด็กไม่ใช่ต้องปิดบังอําพรางแน่อนอนอีกคนหนึ่งเนีเเน่ยนะหรือีกวิธีนนหนึ่งนะวิธีการแกก็เริ่มหนักขึ้นไอ้เจ้าคนานั้นอสุวแกเนี่ยจนมากนะแกนี่มันแม้กษัตริย์อะไรจนขนาดนี้อะไรเงี้ยนะข้างโน้นเขาดูถูกแกมา โอ้ใครพูดใครพูมดม้นไงทะเลาะกันแล้วสองคนและอีกที่หนึ่งก็บอกว่าโอ้ไปเขไปพูดให้กษัตริย์ที่ขาดคนหนึ่งบอกโอ้เนี่ยคนโน้นเขาอักคันคุณเนี่ยขี้ขาดมากที่ขาดตาขาวแล้วเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคนที่ขาดนะจริงๆก็ทําเป็นงั้นแหละก็เลยแตกแยกกันโอ้ทะเลาะกันไปหมดสรุปว่าไปส่อเสียดยุแยงแตะแคงรว่วงเมืองภัยาลีสามปีแตกกันหมดเลย บ้านเมืองแตแกแยกกันปันป่วนกันไปหมดก็เรียกว่าตีกลองประชุมยังไม่มาประชุมกันเลยเนี่ยนะพ่ออะไรบอกมันแค่ภาระทั้งหมดทุกคนก็ปัดออกนอกตัวหมดเลยทุกคนไม่มีความรับผิดชอบนะทุกว่าว่าอะไรนะมันไส้คนอื่นไปหมดเลยเพ mm. ราะฉะนั้นเวลาไปประชุมเนี่ยก็ไม่ไปทางเดียวกันนะเนี่ยน ะ, น ะ, นะนะแหมหลบกันน ะ, นะต่างคนก็ต่างหลบทุกคนมองดินเรยีรยกว่าจิตใจเนี่ยใหญ่เท่าไส้เดือนนะพวกนี้ก็คี้แคบๆเนี่ยนะ ค, คือเนื่องจากว่าพอพอคนเนี่ยเริ่มขาดเมตตาต่อกันใจมันจะแคบลงเมื่อใจแคบลงแหมไม่อยากเห็นหน้าคนนั้นเบื่อหน้าคนโน้นคนนั้นก็หน้ารําคาญคนนี้ก็หน้างดหงิดก็กลายเป็นว่าโอ้ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องขาดเมตตาต่อกันก็พร้อมที่จะแตกแยกโดยประการตั้งปวงเลยนะก็เลยนะก็อะไ ร, นะะไรก็แตกแยกกันไปหมดเลยในที่สุดก็แม้กระทั่งมีการประชุมใหญ่ตีกลองก็ไม่มีใครมาประชุมกันในที่สุดก็ พอสร้างเหมือนกับสร้างเหตุการณ์จำลองขึ้นมาหลายครั้งกระย์แตกแยกกันถึงขนาดว่าวาสการพราม์เนี่ยใช้วิธีการเช่นทดลองเช่นตีกรองมีปัญหาบ้านเมืองประชุมกันเถอะจัดประชุมครั้งไหนก็ไม่มีใครมาร่วมประชุมวสการพราม์ทดลองหลายครั้งมากเราแยกกันแน่นอนละก็เลยส่งสารไปเรียกไปบอกพระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้าอาชาศัตรูก็ยกกองทัพมาเลย แต่กองทัพอันนี้ก็เชื่อว่าหลังสมัยพุทธกาลมาแล้วนะการสู้รบเนี่ยหลังสมัยพุทธกาลมาแล้วแล้วก็กษัตริย์ภัยสาลีก็ตีกลองประกาศทีนี้พอพอยกกองทัพไปเนี่ยนะฝ่ายเมืองภัยสาลีก็มีบางคนที่รักบ้านรักเมืองก็ไปตีกลองประชุมกันไม่มีใครประชุมเลยนะคือจริงๆกองทัพมานี่ก็ไม่มีใครออกไปต่อต้านเลยทุกคนบอกก็ปัดภาระออกไปหมด ้มันต้องพวกพระราชามันต้องพวกคนเป็นใหญ่ก็แล้วแต่หัวหน้าท่านเถอะแต่แล้วแต่ผู้นำแล้วแต่แม่ทัพก็ยกบ่ายเบียงคนโน้นทีบ่ายเบียงคนนี้ทีเพราะส่อเสียดเขาบอกว่าอะไรจะร้ายแรงเท่ากับการยุแยงตะแขงรั่วส่อเสียดไม่มีในโลกนี้มันยิ่งใหญ่มากขนาดพ่อสอ่ออะเรียกว่าพ่อพ่อลูกรักกันมากถ้ามีคนใดคนหนึ่งมาส่อเสียดพ่อกับลูกก็แตกกัน ถ้ามีคนมาส่อเสียดพ่อแม่กับลูกก็แตกกันถ้ามีคนมาส่อเสียดสามีภรรยาก็แตกกันเพื่อนกับเพื่อนก็แตกกันถ้ามีการอะไรเหมือนกับอะไรมอภูเขาหินถ้ามีอะไรมาเสียดสีมากระทบภูเขาแตกไหมแตกทองก็แตกเงินก็แตกแผ่นดินก็แตกน้าก็ยังแตกแยกกันได้ถ้ามีอะไรมาขันมันการส่อเสียดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงแล้วก็รุนแรงเนี่ย สังกเพศเนี่ยนะสังกเภทก็กลุ่มสอเสียดนั่นแหละทำทรงให้แตกแยกกันก็กลุ่มในสังสอเสียดนั้นสอเสียดในจึงเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสมากใครที่ทํากรรมประเภทสอเสียดนะคนพวกนี้ก็ไม่มีพักมีพวกเลยนะเป็นที่เกลียดชิงชังเรียกว่ามีพวกพวกก็แตกมีลูกบริวารบริวารก็แตกแยกคือเต็มไปด้วยรอยร้าวไปหมดอ่ะนะเหมือนกับว่ามีบ้านบ้านก็ร้าวว่างั้นเถอะมีอะไรก็มีแต่เสียหายไปหมดอ่ะนะลักษณะเนี้ยโทษกรรมของประเภท สอเสียดท่านบอกว่าบางแห่งอธิบายถึงขนาดว่ามีร่างกายร่างกายเนื้อตัวก็ยังหลุดลุยออกไปเลยเพราะอะไรเพราะกรรมประเภทสอ่อเสียดเนี่ยนะในที่สุดแม้กระทั่งสงครามมาประชิดเมืองเนี่ยนะไม่มีคนขี้เกียจแม้กระทั่งไปปิดประตูเมืองอะ่ะปิดประตูเมืองใหญ่เนี่ยนะให้กองทัพเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ย่อยยับเลยเนะี่ยนะย่อยยับแผ่นดินนั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นของ ของไก่ของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะปกครองคือเมืองเมืองกลุ่มราชวงศ์สายอาชาติศัตรูก็ยังเจริญรุ่งเรืองในเขตนั้นไปชั่วระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมาล้างเผ่าพันธุ์เขาถือว่าเป็นวงศ่าพ่อคือคือพระเจ้าอุทัยพัฒน์ฆ่าพระเจ้าอาชาตศัตรูเขาก็มีการฆ่ากันหลายๆชั้นในที่สุดอ მ าตทั้งหลายก็เลยประชุมกันบอกวงนี้ไม่เอาและวงศ์้าพ่อก็เลยสร้างวงขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างวงขึ้นมาใหม่จนถึงวงของพระเจ้าจันทรคุบแล้วก็จนถึงวงของนีย ซึ่งเป็นเชื้อสายนนไอโมริยะวงว ง, วงของนกยู่นะจนถึงพระเจ้าอาโศกแล้วพระเจ้าอาโศกก็ย้ายเมืองไปอยู่แถวมีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ป่าตะลีบุตรคือก็คือเมืองที่จะกล่าวต่อไปนั่นแหละเมืองปาตลีบุตรนั้นจึงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากสมัยพศประมาณ200ปี200ปีหลังพุทธปรินิพพานนะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่าศูนย์กลางพระพุทธศาสนาไปทั้งทางน้ําและทางบกเลยนะทางน้ําก็ไปทางทะเลพระันส่งไปแพรท่ทางสายทะเลด้วยสายบก สายต่างๆพระศาสนาเจริญรุ่งเรือ ง, งที่สุดก็สมัยพระเจ้าอาโศกนั่นแหละแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปลายปลา ย, ลายพุทธสมัยสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่แล้วมันก็เรื่องกินใจเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายนี่แห ล, ละก็ที่จริงอ่ะเรื่องน้ําพึ่งหยดเดียวนะเสียบ้านเสียเมืองเลยนะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่อย่าถือว่าอยาคิดนะว่าไม่สําคัญจะสร้างความลุกลามใหญ่โตไม่ได้เป็นไปได้หมดอ่ะนะเพราะเรื่องเล็กเรื่องน้อย แต่เรื่องมาไฟเผาเมืองเนี่ยไม่ใช่ว่าไฟแบบอะไรนะระเบิดนิวเคลียร์มาลงแล้วเผาเมืองไม่ใช่หรอกก็ไฟเนี่ยไฟเล็กไฟน้อยไฟกระพริบธรรมดา น, นิดนิน้อยนี่แหละเสียหายไปหมดเลยอย่างคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากง่วงนิดเดียวแค่นั้นแหละรถชนกันตายไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันสาเหตุจากเรื่องแต่ละเรื่องไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่มันก็เกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นี่แหละก็กลายเป็นที่มาของเรื่องราวใหญ่โตลุกลามไปหมด จะขึ้นหัวข้อใหม่เดี๋ยวหัวข้อใหม่จะขึ้นตอนบ่ายดีกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนพระพิสุทั้งหลายเนี่ยนะก็ะคืออาศัยเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยพระองค์ก็มาปารบสอนพระภิสุทั้งหลายเกี่ยวกับอับปริหานิยธรมรมอับปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่เสื่อมธรรมที่รักษาความเจริญให้คงอยู่ต่อไปได้ไม่ให้เสื่อมก็เลยเรียกว่าอับปริหานิยธรรม อ่ะนะช่วยปกปักรักษาความเจริญแนวแนวทางแห่งความเจริญป้องกันความเสื่อมอ่ะนะแม้แต่บ้านเมืองใดที่ปฏิบัติตามหลักอริหานิยธรรม7ประการนี้บ้านเมืองเหล่านั้นก็เจริญเจริญแน่นอนนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็อาศัยแนวทางเดียวกันนั้นมาสอนทระพิสูจนทั้งหลายให้ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเดี๋ยวก็ตอนบ่ายแล้วค่อยอีกครั้งหนึ่งจทพอน